แต่ว่าผู้ที่ปลดภาระารคำว่าละตันหาในขันห้าเหล่านี้ได้ทั้งหมดเขาจึงเป็นสุขในโลกว่างั้นอันนี้เป็นชื่อของพระอริยะนะเพราะฉะนั้นเขาวางเรียบร้อยแล้วจะไปกลัวหนักทําอะไรเนี่ยนะมาเด็กลัวเพราะไม่ได้คิดจะแบกอีกเลยว่างั้นแต่ของเราเนี่ยวางอันนี้แบกอันใหม่นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะหนักกว่านี้หรือเปล่าไม่ทราบนะหรือเบาเนี่ยนะรีบควา้ <c oughs> วาเดียวเดียวไม่มีอะไรแบกเลยเสียใจยแย่เลยนะ แล้วท่านก็กล่าวว่าพรหมจรรย์เราประพฤติดีแล้วคําว่าพรหมจรรย์นเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาพรหมจรรย์เป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญานั้นพรหมจรรย์เราประพฤติดีแล้วแม้ธรรมเราก็อบรมดีแล้วคืออริยมรรคท่านอบรมเป็นอย่างดีเราไม่มีความกลัวตายเหมือนบุคคลไม่กลัวโรคเพราะโรคสิ้นไปแล้วฉะนั้น ก็บอกว่าคนเช่นเราไม่มีความกลัวตายในอันเป็นที่สิ้นโรคคือขันไอขันอันนี้เนี่ยนะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมองว่าเป็นเหมือนโรคนะท่านจงที่จารณาขันอันนี้แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นดังผู้อื่นเป็นดังผู้ฆ่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอตัวโรคอ่ะจะไปกลัวมันทําอะไรใช่ไหมเออดีเหมือนกันมันจะได้หายโรคสักทีหนึ่งบริหารโรคอันนี้มานานแล้วว่างั้น เพราะฉะนั้นถ้าหมดโรคอันนี้ท่านก็ไม่ได้ทุกอะไรคือจะฆ่าก็ฆ่าเหอะวั ง, งั้นแต่พรหมจรรย์เราประพฤติดีแล้วแม้อริยมรรคเราก็อบรมแล้วพบทั้งหลายอันไม่น่ายินดีเราได้เห็นแล้วพบทุกพบไม่ว่าจะเป็นการมปพบรูปประพบอรูปประพบพบทั้งหลายเหล่านี้มีเที่ยงไหนไม่มีเที่ยงสักอันเลยไม่มีเที่ยงสักพบหนึ่งเลย เนี่ยนะรูปประพบก็ไม่เที่ยงอารูปประพบก่อไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเพรา ะ, ะนั้นไม่ควรยึดถือสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอัตตาแล้วในพบทุกพบถูกไฟคือราคะเผาถูกไฟคือโทสะเผาถูกไฟคือโมหะเผาถูกไฟคื อ, คอชาติชรามรณโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตแผดเผาอยู่ เพราะฉะนั้นพบทุกพบทั้งหมดเนี่ยนะเราได้เห็นแล้วว่ามันไม่น่ายินดีเพราะมันไม่เที่ยงเป็นต้นเพราะมันถูกไฟ11กองเป็นต้นแผลดเผาไม่น่ายินดีสักอย่างเหมือนคนดื่มยาพิษแล้วบ้วนทิ้งฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้พบทุกพบเหมือนยาพิษที่อมเข้าไปในปากแล้วรีบคายออกไปล้างปากให้สะอาดเลยนะก็บอกว่าโอ้พบทุกพบเนี่ยเราคายออกแบบนั้นหมดแล้วว่า ง, งั้นบุคคลพูดถึงฝั่งคือถึงฝั่งคือนิพพาน นะนิพพานนี่ชื่อว่าเป็นฝั่งแห่งพบไม่มีอุปาทานสี่ทำกิจสิบหกทำกิจสิบหเสร็จแล้วหมดอาสวะทั้งสี่ย่อมยินดีเพราะเหตุความสิ้นอายุเหมือนบุคคลพ้นจากการถูกประหารฉะนั้นเนี่ยนะความตายเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าพ้นจากเครื่องประหารไอ้เครื่องประหารของเราเนี่ยนะกับของท่านจาะคนละอันกันนะ แต่ของเราเนี่ยการที่โอ้ยหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ต่อไปเนี่ยโอ้ยแจวอันนี้ว่าท่านบอกว่าในผ้ารหารนั่นมองเหมือนแบบคนกําลังถูกฆ่าอยู่ว่างั้นแต่ความตายของพผ้ารหารเหมือนคนพ้นจากการประหารเนี่ยนะพ้นจากขัน ท, ทีงเพราะฉะนั้นพผ้ารหารนี้ท่านทํากิจสิบหจบเลยนะถามว่ากิจสิบหคืออะไรกิจสิหก็คือกิจว่านี้กิจว่าทุกสมุทยัยนิโรธมัด ระดับโสดาปฏิมัคมีอยู่สี่ชั้นมีสี่อย่างเนี่ยนะในโสดาปฏิมัคมีสี่คือกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมัคเนี่ยนะระดับโสดาบันมีสี่เนี่ยนะกิจของพระโสดาบันมีสี่กิจของพระสกะทาคามีอีกสี่กิจของผ่านนาคามีอีกสี่กิจของพระนอรหันต์อีกสี่สี่คูณสี่เท่ากับสิบกเพราะฉะนั้นกิจสิบหกท่านทำจบสิ้นแล้ว เพราะฉะนั้นอาสวะเครื่องหมักดองเครื่องหมักหมมในขันเหล่านี้ท่านชำระได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านเลยไม่ได้เสียใจเพราะความสิ้นอายุกลับยินดีในความสิ้นอายุด้วยซ้ําเหมือนบุคคลพ้นจากการถูกประหารฉะนั้นบุคคลผู้บรรลุธรรมคือบรรลุอรหัตตผลอันสูงสุดแล้วไม่มีความต้องการอะไรในโลกทั้งปวง นะท่านไม่ต้องการแม้กระทั่งกาเอือโลกทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกาเมลโลกรูปปโลกอรูปประโลกเนี่ยโลกไหนไหนท่านก็ไม่ต้องการย่อมไม่เศร้าโศกในเวลาตายเหมือนบุคคลออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ฉะ น, นั้นนะบอกความรู้สึกของท่านเนี่ยนะการออกจากภพสามเหมือนออกจากบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้สมมติถ้าไฟไหม้อยู่นะพิบเ พ, พ, พิคนที่ออกจากนี้พ้นนะถามว่าเขาดีใจหรือเสียใจโอเสียใจเหลือเกินน่าจะอยู่ใน บ้านที่ถูกไฟไหม้ต่อไปผ้าหั่นทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับคนที่หนีออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้เบ็ดเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสบายของเราโอ้ไฟเออตรงนั้นมันเย็นหน่อยกร ว, นะวิ่งไปหานะวิ่งไปวิ่งมาก็เหยียบไฟตัวเองอนั่นแหละนั่นแหละขันห้างก็เป็นอย่างนี้แหละครคิดนะว่าขันห้างนี่ถูกไฟหไหม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยู่ในโลกนี้ก็ดี พบที่สัตว์ได้อยู่ในโลกนี้ก็ดีนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในโลกนี้นะแล้วก็พบที่สัตว์ได้อยู่ในโลกนี้ก็ดีคําว่าพบที่สัตว์ได้เป็นชื่อของอุปติภพสิ่งที่สัตว์ได้คืออะไรก็มีตานี่แหละเรียกว่าอุปติภพมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจนี่แหละก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่ได้อยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นอิสระ านะตาก็ไม่เป็นอิสระหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอันก็ไม่เป็นอิสระเลยผู้ใดรู้แจ้งธรรมะข้อนั้นนะรู้แจ้งด้วยวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ผู้นั้นย่อมไม่ยึดถือพบอะไรอะไรเห็นไหมเมื่อเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นแต่ละอันไม่มีอิสระอยู่ในตัวเลยอ่ะก็ไม่รู้จะต้องการตาอันใหม่ไปทาอะไรอีก ไม่รู้จะเพลิดเพลินในตาอันนี้ไปทําอะไรไม่รู้จะละห้อยหาตาที่เป็นอดีตทําอะไรเพราะแต่ละอันแต่ละอันมันไม่มีอิสระเลยอะ่ะเขาบอกว่าท่านเลยไม่ต้องการพบรไรไรแม้กระทั่งพบน้อยพบใหญ่เหมือนบุคคลไม่จับก้อนเหล็กแดงอันร้อนโชนฉะนั้นอนนะผู้ที่ต้องการความสุขเขาจะไม่ไม่ไปจับไอ้ก้อนเหล็กที่มันร้อนๆอนเลยเมื่อไร่ที่ท่านเห็นตาเป็นของร้อนหูจมูกลิ้นกายใจเป็น ของร้อนท่านก็จะไม่ยึดในในขันเหล่านี้ได้อ่ะเขาบอกว่าวิปัสสนาทั้งหลายเหมือนขนไก่ขันห้าเหมือนกับไฟอ่ะขันถ้าวิปัสสนาแย่เข้าไปในไฟมากๆจะเป็นยังไงงอคืนใช่ไหม <S <S เพราะฉะนั้นท่านไม่มีว่าจิตของพระอาจารย์ไม่ยินดีในภพใดๆเพราะเห็นเหมือนกับก้อนเหล็กนะก้อนไฟทั้งหมดเลยนะเอ๊ะเมื่อไหร่นะมองเห็นเอ๊ะนี่ไฟไหมอยู่นะนึกไม่ใคร อ, ออกเลยมันจะเป็นยังไงนะเพราะไม่ได้อบรมมา เราได้มีความคิดว่าเออเราไม่มีความคิดว่าเราได้มีแล้วคือไม่ไม่ได้ละห้อยหายินดีในสิ่งในอดีตเลยนะว่าเราได้มีมาแล้วหรือแหมมุ่งหวังเหลือเกินอนาคตจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ได้มีความคิดที่จะมีต่อไปสังขารทั้งหลายปราศจากไปจะคร่ำครวนไปทำไมในเพราะสังขารเหล่านั้นเนีย่ยนะคือ ท่านบอกว่าท่านเนี่ยพยิจารณาเห็นสังขารเนี่ยมันเป็นไปตามปัจจัยนะมันเกิดก็เกิดไปตามปัจจัยดับก็ดับไปตามปัจจัยซึ่งแต่ละอันก็ไม่มีไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ไม่มีความคงทนอยู่สักอันหนึ่งมีแต่แตกดับไปในทุกๆขณะเลยอะ่ะนั้นแต่ละอันก็มีแต่ความแตกดับไปในทุกๆขณะเพราะฉะนั้นไม่รู้จะคร่าครวญไปในสังขารเหล่านี้ทําอะไรนะจะถูกฆ่าแล้วก็ยังยิ้มแป้เลยนะ อันนี้พระอาหารหันต์นะถ้าคนอื่นเนี่ยอย่างพี่ผู้การเอามาอ่านวันก่อนใช่ไหมไม่มีใครที่ไม่กลัวตายเขาว่ากันถามว่าทําไมอ่ะเพราะมันยังยึดในขันธ์ห้านัะนะ่นแหละแล้วกล่าวท้าในโจนมาดูก่อนในโจนความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเนีย่ยนะหมายคำ ว, ว่าความกลัวนี้จะไม่มีแก่ผู้ที่มีมรรคมีวิปัสนาซึ่งเกิดขึ้นเห็นธรรมะอันบริสุทธิ์และความสืบต่อ สังขารอันบริสุทธิ์เขาบอกว่าท่านเห็นธรรมะที่เป็นไปโดยบริสุทธิ์หมายว่าเห็นปัจจัยและผลของปัจจัยเห็นปัจจัยนี่หมายว่าเห็นว่าอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณจักรวิญญาณนี่มีสังขารเป็นปัจจัยนะโสตะคานะชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณเหล่านี้เป็นปัจจัยจึงมี นามรูปนามรูปเหล่านี้เป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาแต่พระอรหันต์ท่านสํารอกตันหาในสิ่งเหล่านี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นอุปาทานของท่านจึงดับอุปาทานดับภพบกระดับพบดับชาติก็ดับชรามรณะโศกปริเทวทุกขโทมานัสและอุปาญาตของท่านดับหมดเลยอเมื่อธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ดับหมดแล้วะ ก็มีแต่ความเกิดขึ้นความดับไปเพราะฉะนั้นปัญญาที่ท่านเห็นแต่ความสืบต่อแห่งขันอันบริสุทธิ์เท่านั้นเองมีแต่กรรมวิบากกิเลสเท่านั้นแหละที่เป็นไปอ่ะสำหรับสัตว์ทั้งหลายเมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นโลกเสมอด้วยหญา้าและไม้ด้วยปัญญาใช่อย่างในเถรกถาเนี่ยในที่ที่เป็นข้อความเป็นบรรทัดบรรทัดใชบอกว่า คามินี้ภัยย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแห่งธรรมะล้วนๆและความสืบเนื่องแห่งสังขารล้วนๆตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นต้นตามความเป็นจริงอ่ะภัยก็จะไม่มีแก่เขาภัยที่ว่านี้คือความกลัวจะไม่มีแก่เขาถามว่าทาไมเขาจึงไม่กลัวเพราะเขารอบรู้เป็นอย่างดีว่าอาวิชชา อวิชชาสมุทัยอวิชานิโรดอวิชานิโร ธ, า, โรธาคามินีปฏิปทาเนี่ยนะสังขารสังขารสมุทัยสังขารนิโรดสังขานิโร ธ, า, โรธาคามินีปฏิปทาเขามองสิ่งเหล่านี้ออกอย่างตลอดสายไม่รู้จะสะดุ้งกลัวไปทําอะไรเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกเหล่านี้นะทั้งหมดเนี่ยนะเสมอด้วยหญา้าและไม้ด้วยปัญญาเมื่อนั้นบุคคลนั้นย่อมไม่ยึดถือว่าเรา นะไม่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมไม่เศร้าโศกว่าของเราย่อมไม่มีไม่มีฉันทราคะตัญหาอะไรในสิ่งเหล่านี้เลยพเพราะเจริญอนัตตานุปัสนามากๆแล้วนะก็จะเหมือนเห็นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะมหาภูตรูปภายในกับภายนอกต่างกันตรงไหนเนี่ยนะปัทวีธาตุในกายนี้กับปัทวีธาตุในภายนอกต่างกันตรงไหนอาโปธาตุภายในกับอาโปธาตุภายนอกต่างกันตรงไหน เตโชธาตภายในกับเตโชธาตภายนอกต่างกันตรงไหนวายโยธาตภายในกับวายโยธาต่างกันตรงไหนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแต่ธาตุเท่านั้นแหละธาตุสีเหล่านี้เนี่ยนะมีกรรมเป็นปัจจัยเลยเรียกว่าจักขุธาตุสีเหล่านี้มีกรรมเป็นปัจจัยเลยเรียกว่าโสตเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้ต่างอะไรกันนักหรอก เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาพิจารณาแบบนี้ก็เลยไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีโอ้จะตายแลยเนาะไม่ได้คิดเลยเพราะอะไรเพราะมีความแตกดับเป็นธรรมดาอยู่แล้วเรารําคาญด้วยสรีระคือกายนี้เพราะกายนี้เป็นที่อาศัยมันกระสับกระส่ายว่างั้นเถอะกายนี้มันกระสับกระส่ายเต็มไปด้วยของปฏิกูลเพราะฉะนั้นเรารําคาญมันมานานแล้วว่างั้นบริหารตั้งแเชา้าจนเย็นมันแหละโอ้ยต้องอาบต้องเช็ดต้องล้างเงินนั่นแหะ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการพบไรใดไม่ต้องการทำกรรมและไม่ต้องการผลของกรรมใดๆร่างกายนี้จะดับไปและจะไม่มีร่างกายอันอื่นขันห้านี้ดับไปท่านจากไม่มีขันห้าอันใหม่ถ้าท่านทั้งหลายจะทํากิจใดด้วยร่างกายของเราก็จงทํากิจนั้นเถิดเออจะฆ่าก็ฆ่าเถอะว่างั้นความขัดเคืองและความรักใคร่ในร่างกายนั้นนอะ จะไม่มีแก่เราถามว่าพระอรหันต์ท่านโกรธร่างกายใช่ไหมท่านไม่ได้โกรธท่านรักไหมไม่รักถามว่าท่านเป็นยังไงท่านมีปัญญาท่านเลยไม่รักไม่โกรธว่างั้นเพราะท่านมีปัญญาเห็นขันธ์ทาตามความจริงว่างั้นเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายทํากิจตามปรารถนาด้วยร่างกายของเรานั้นน่นนะเพราะฉะนั้นไม่ท่านจะฆ่าหรือท่านไม่ฆ่าทํายังไงก็ไม่โกรธ ถามว่าเพราะอะไรเพราะยังไงยังไงขันท่านี้มันก็แตกดับอยู่แล้วอ่ะท่านไม่ฆ่าเราวันนี้นะไม่อีกไม่นานเราก็ตายเท่าเดิมนั่นแหละนะถึงไม่ถูกท่านฆ่าวันนี้วันหลังก็ตายอยู่ดีนั่นแหละเออตายวันนี้มันก็จะเป็นรายไปแต่ไม่ได้สารเสริญการตายนะแต่เล่าให้ฟังว่าผู้ที่พ้นจากความยึดถือแล้วก็ไม่ได้เยื่อใหญ่ในลักษณะนั้นฟังไม่ดีนะเออเดี๋ยวพระท่านเทศอย่างนี้แล้วกลับบ้านเลฆ่าตัวตายเลยวันหลังก็ตายอยู่แล้วกระติบตายวันนี้เลยนะไม่ได้นะฟังไม่ดีไม่ได้ แต่ถ้าพระองค์ไหนตั้งใจสารเสริญแบบนี้นะแล้วเขาไปฆ่าตัวตายภาพรูปนั้นเป็นตาราชิกเลนะพารณาคุณแห่งความตายนี่เป็นอบัติาราชิกถ้าเขาไปฆ่าตัวตายจริงๆนะในสิกขาบทที่ 4, สีเออสิกขาบทที่3ากล่าวว่าอันหนึ่งพิสูจใดฆ่ามนุษย์ก็ดีสแสวงหาศาสตราอันจะนําชีวิตให้แก่กายมนุษย์ก็ดีหรือพารณาคุณแห่งความตายก็ดีชักชวนเพื่อ อ, อันตายก็ดีด้วยว่าแน่นะท่านผู้เป็นชายจะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันชั่วนี้ ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้เธอมีจิตใจมีจิต ด, ดําเรยอย่างนี้พลนาคุณแห่งความตายก็ดีชักชวนเพื่ออันตายก็ดีโดยหลายนายแม้พิสูจนนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ชมชื่นชมว่าโอ้ไปฆ่าตัวตายนะไม่ได้เล่าแบบนั้นหรอกนั่นนะแต่เล่าให้ฟังว่าคนที่ใคร่ครวนรอบรู้ขันห้าดีๆแล้วจะเป็นลักษณะนั้นทีนี้โจรทั้งหลายได้ฟังคําของท่านอันหน้าอัศจรรย์ได้ทําให้คนลุกชูชันดังนี้แล้วก็เลยพากันวางสาตราอาวุธ โจนี่ก็ะจเจ๋อจริงๆนะฟังเพศถ้ายอมเลยอะ่ะนะโจนี่ก็เลยกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญความไม่เศร้าโศกที่ท่านได้อะ่ะเพราะท่านได้ทำกรรมอะไรไว้ไปทาอะไรมาจึงไม่เศร้าโศกแบบนี้เลยวังนั้นหรือใครเป็นอาจารย์ของท่านหรือเพราะอาศัยคำสั่งสอนของใครแหมเจ๋อจริงๆเลยนะไปไปทำอะไรมาวังนั้นไปเรียนวิชากับใครมาได้วิชาอะไรจึงเจ๋อจริงๆวงนั้น นะอธิมุตท่านก็นบอกว่าพระษาสดาผู้เป็นสัพพันยูรู้เห็นธรรมะทั้งปวงนะศาสดาของเราเป็นสัพพันยูนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างชนะหมู่มารทั้งห้ามีพระมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกชาติชั้นวันนะผู้รักษาพยาบาลโรคคือกิเลส ข, ของชาวโลกทั้งปวงพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นอาจารย์ของเราเนี่ยนะนะอันนี้บอกว่า ก็ว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านนะอ่ะตอบมานะพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เราเหมงอนกันธรรมะเครื่องให้ถึงความสิ้นอาสวะอันยอดเยี่ยมนี้พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วเนีย่ยนะนี่แหละเรียกว่าอาศัยคําสอนอันนี้แหละเหมืนกันเะคืออาศัยคําสอนคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่แหละแล้วก็จะบอกว่าความไม่เศร้าโศกเราได้เพราะอาศัยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นะคือได้ประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคของพระพุทธเจ้าก็เลยพ้นจากความเศร้าโศกตรงนี้ท่านพรา ท, า ท, าทิมุตรประกาศสารณนะสามให้เห็นเลยหนึ่งพระสัพพันยูคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งคำสอนเรียกว่าพระธรรมและพระสงฆ์คือตัวท่านนั่นแหละผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงโลกุตรธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นโจรฟังถ้อยคาอันเป็นสุภาษิตของพระเถระผู้เป็นฤาษีแล้ว พระอย่างนี้เครียกว่าฤาษีเหมือนกันเพราะเป็นผู้ที่สแสวงหาศีละคุณสมาธิคุณปัญญาคุณหรือว่าสแสวงหาอาธิศีนิธิจิตและอธิปัญญาก็คือสแสวงหามรรคผลนิพพานเหมือนกันพอโจรได้ฟังกันอย่างนั้นแล้วก็พากันวางสาตราอาวุธบางพวกงดเว้นจากโจรกรรมโอ้เลิกปล้นแล้วเหมือนกนตั้งกันนี้ไปเลิกปล้นแล้วอีกพวกหนึ่งก็ขอบรรปชาโจนเหล่านั้นครั้นได้บรรปชาในาศาสนาของพระสุคตแลว้ว ได้เจริญโพชฌงเจ็ดนะได้เจริญโพชฌงเจ็ดคือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยาสามโพชฌงวิรยิยะปีติปัสสัทธสิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงแล้วก็เจริญพละธรรมคือศรัทธาพละวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาพละท่านเหล่านั้นเป็นบัณฑิตมีจิตเฟื่องฟูคือมีจิตเป็นไปด้วยกับปีติเบิกบานมีอินทรีย์อันอบรมแล้วด้วยอริยมรรคได้บรรลุสันตบดคือ พระนิพานอันหาปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คิดดูนะว่าพระอรหันต์บางท่านชาติสุดท้ายของท่านยังไปเที่ยวถือดาบไล่ปล้นกันอยู่เลยเนื่องจากโทษภัยของสังสารวัตรนะนี่ก็เป็นข้อความในอธิมุตเถรคาถาเพราะฉะนั้นผู้ที่พิจรารณาขันห้าเป็นต้นโดยความเป็นของว่างซึ่งภาษาริบุตรเถระยกข้อความในโมคขราชปัญหามานิเทศคือมาที่บายก็ยกเอาข้อความของ ท่านอาทิมุตเถระตรงนี้มากล่าวด้วยเพราะท่านพิจารณาเห็นว่ากองแห่งธรรมะเหล่านี้เป็นไปล้วนๆเ น, นี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ได้ผูกพันยึดมั่นสําคัญหมายในสิ่งเหล่านี้ด้วยอุปาทานหลันใดเลยไม่สําคัญหมายในสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของเที่ยงไม่สําคัญหมายในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของที่เป็นสุขไม่สําคัญหมายในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัตตา เพราะฉะนั้นไอ้ปัญญาอันนั้นแหละคือข้อปฏิบัติเนี่ยนะปัญญาอันนั้นเป็นเบื้องต้นของมรรคองค์ต่ อ, ต อ, ตอไปเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะคิดได้ถูกว่างั้นเดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นถ้าหากว่าจเจริญมรรคทั้งหมดเหล่านี้มากมากเนี่ยนะจนบริบูรณ์ก็จะเป็นสันทิฏฐิโกว่างั้นเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโก องค์มัคอันนี้ให้ผลได้ไม่จํากัดการหมายกันว่ามรรคจิตเกิดเมื่อไหร่ผ ล, ลจิตต้องเกิดเป็นอากาลิโกเอหิปัสิโกว่า ง, งั้นเถอะพระพุทธเจ้าเรียกให้ดูเลยอ่ะ น, น, นะโอปันญิโกเนี่ยองมัคอันนี้ควรให้น้อมจิตของควรให้มีในจิตของเราพระนิพพานที่พระองค์ทรงประกาศก็โอปันญิโกคือน้อมจิตของเราไปหาพระนิพพานที่สูงสุดอันนั้น เวที่ตับโพวินยูหิวินยูชนคืออุคติตัญยูวิปัญจิตันยูและนยยบุคคลก็จะพึงรู้ได้เฉพาะตนอันผู้ที่ปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมเหล่านี้เรียกว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นเป็นผู้นับถือเป็นผู้ธมามะกะธรรมมามะกะสังฆ ม, มามะกะเอา้านี่แหละก็ได้บุญเยอะแล้วมีอา น, นิสงส์มากก็ถวายสังฆทานเหมือัน นราพรหมย้าธาวริวะหาปุราปารีปุเรนติสาคารังห่วงน้ําที่เต็มย่อมอย่างสมุักดิ์ครให้บริบ <c oughs> นะูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโต้ดินนังเปตานังอุปการปฏิทานที่ท่านอุเทศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเคปมเมวสมัสเมชาตูจงสำเร็จโดยชาพลันสาพปุเรนตุูสังคปาขอความดำรีทางพวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะ่าเหมือนพระจันในวันเพนมหาีโชติรโสยะ่า เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิโตวิวัชันโตความจังไรทั้งปวงจงมั่ราดไปสาผารอคเวนะสันโตรคทัางปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรารโย ο. อันตารายามีแก่ท่านโสขีทีขาโยโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาพิวาทนาสิเลสนนจังุธทาปจายโนจาตตาโรโธธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังทาสี่ประการคืออายวันนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นฮีตภวะตุสพพมังขลังขอสภา พ, พมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสะพเทวตาขอเล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาทัานส า, าพาโพธานุภาเวนา้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้ดยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพาสังคานุภาเวนา้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สถาโสทิพวรรณตุเต ขอความสวัสดีทั้งลหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิดครับกราวคำเพยเมตตาพร้อกันนะครับบั <c oughs> งค่าสำรวมจิตน้อมอุทิศแพ่เมตตาแก่สัตวโลกา บรรดามีชีวีเครองสัตว์ทั้งหลายอย่าผูกเวนคิดคยวเขนตอบสนองสัตว์ทั้งหลายอย่าคิดปองจิตคุณของ เมียเปียนกันสัตว์ทั้งหลายจงพ้นทุกข์ประสบสุขกเกษมสัรทุกขชีวิตมีจิตมันมต่นเมตตาการนิรนันดร์การบุญได้่าได้ท่า โปรดช่วยนำแผ่ไพศาลพ่อแม่และบงวานครูอาจารย์สำราญจาจหมูสัตว์เท้าใหญ่น้อยโปรดได้คอยระ บ, บุหมวย โนโศกห่างโรคภายสุขสมใจทุกท่านเถิด